ทิ้งให้หมดเลยทิ้งรูปแบบทิ้งเงื่อนไขให้หมดเลยแล้วก็มันควรจะเป็นยังไงก็เป็นไปแต่จะนั่งะมาที่ก็นั่งไปแต่นั่งไม่ได้เพื่อจะเอาอะไรแ้่แต่เห็นว่ามันเป็นยังไงก็เป็นไปจะเป็นยังไงก็เป็นไปก็เห็นอยู่อย่างเนี้ยจะเดินจกบก่อเดินไปเดินให้มากๆมันจะหวัดไปนอนนั้นมากๆเดินนั้นมากๆ แต่ก็เห็นว่าเดินไปก็มีแต่สังขารทั้งนั้นอะไรกสังขารปรงแต่งปุงแต่งในใจปรงแต่งมันก็ปสังขารก็สังขารทั้งั้นน่ยสังขารทั้งั้นนี่ยมีอะไสังขารทั้งนน่แล้วสังขารทั้งมวลเรายุกมันไม่ได้เราก็ดับมันก็ไม่ได้มันเป็นขันธ์หน้าดับปุ๊บก็ตายเลยเป็นชีวิตก็สังขารทั้งั้นน่สังขารทั้งนสังขารทั้งหมดนะไม่ไม่ใช่เป็นมันไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นของไม่จริงเป็นของสมมติเดี๋ยวก็แตกด มันอะไรก็ตามมันอะไรก็ตามจากไม่มีมันมีขึ้นมาจากไม่ปรากฏปรากฏขึ้นมาจากไม่คิดเป็นคิดขึ้นมาจากไม่กระเพื่อมไปกระเพิ่มขึ้นมาจากไม่มีมาแต่เดิมแล้วก็มีขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้คือมันเป็นของมีอาการที่ตรงกันข้ามได้ว่างบ้างเดี็กก็ไม่ว่างสบายมากเดี็กก็ไม่สบายสุขมากเดี๋ยวก็ทุกบ้ากสิ่งเหล่านี้ของอะไรที่มีอาการที่เป็นของคู่ตรงกันข้ามเป็นของปรุงแต่งทั้งหมดเลยสิ่งใดที่เป็นของคู่ตรงกันข้ามเป็นของปรุงแต่งหมดสิ่งใดที่ เป็นธรรมชาติที่ไในปรุงแต่งเขาเรียกว่าเป็นสิ่งเดียวลวดคือมันไม่เกิดไม่ดับไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีเป็นอาการที่เป็นของคู่ตรงกันข้ามเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มีอาการเป็นของคู่ตรงกันข้ามสิ่งอะไรที่มันเกิดได้ดับได้เปลี่ยนแปลงได้เราตายแล้วก็ดับหมดเลยเพราะอะไรพอตายปุ๊บเหมือนแถ่ทอนไม้คิดก็ไม่ได้นึกก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรก็ไม่ได้เั้นก็ปล่อยหมดดลปล่อยมันหมดไม่ต้จะปรุงแต่งอะไรก็ปรุงแต่งไปเพราะอะไร พอตายแล้วไอ้พวกนี้มันดับหมดแล้วเราเห็นอย่างเงี้ยพอที่แค่นี้ก็เข้าใจแล้วเรานอนอยู่เนี่ยอ่ะเราก็ลองดูที่ว่าถ้าเราตายแล้วจะทำเป็นยังไงอพอตายปุ๊บไปส่วนที่ปรุงแต่งปรุงแต่งไม่ได้เพราะอะมันปรุงแต่งมันก็ดับหมดเพราะนั้นไอ้ตอนที่มันปรุงแต่งอย่างนี้ได้มันไม่ใช่เราทั้งหมดเลยเพราะว่ามันสุดท้ายตอนตายไอ้นี้ดับหมดเพราะนั้นไอ้ที่ปรุงแต่งอย่ากปรุงแต่งไปร่างกายก็นอนหายใจไป ไม่ล้วไม่มีใครไปยึดถือไอ้ร่างกายที่นอนหายใจไม่มีใครไปยึดถือไอ้ตัวเราที่กำลังคิดนักตึกตอมปุงแต่งคิดคิดพยายามพูดพยายามรู้พยายามเห็นพยายามเข้าใจเพราะว่าความไม่ปรุงแต่งมันทําไม่ได้แต่ความปรุงแต่งมันทําได้คือพยายามรู้พยายามเห็นพยายามเข้าใจไอ้ความปรุงแต่งมันทําได้แต่มันมีธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งคือมันทําอะไรไม่ได้แต่รู้ว่ามันมีอะไรปรุงแต่งเกิดขึ้นในตัวมันคือเกิดขึ้นในเรียกว่าในใจก็ได้หรือในจิตเดิมแท้ก็ได้ ใจหรือจิตเดิมแท้เนี่ยมันปรุงแต่งไม่ได้มันมีแต่ความรู้ว่าตัวมันเนี่ยปรุงแต่งไม่ได้แต่มันมีสิ่งที่ปรุงแต่งไม่เลิกอยู่นั่นแ่ะตลอดเวลาเกิดเดับดับเปลี่ยนแปลงเกิดเดับดับเปลี่ยนแปลงสิ่งใดเกิดได้สิ่งนั้นย่อมดับได้สิ่งใดเกิดได้สิ่งนั้นย่อมดับได้มีอยู่อย่างเงี้ยเป็นตลอดเนี้ยดับมันก็ไม่ได้ทําอะไรมันก็ไม่ได้เพราะมันเป็นขันห้าถ้าดับมันก็คือตายมันเป็นชีวิตเนี่ยจึงว่าไม่ใช่ว่าให้เราไปดับมัน ไม่ใช่ว่าให้เราดับความคิดแต่เราเห mà, 5, ็นว่ามันเป็นขันห้าดับมันไม่ได้มันเป็นชีวิตมันก็ต้องคิดอยู่อย่างเงี้ยคิดตึกตองปรุงแต่งแต่เห็นว่ามันเป็นขันห้ามันเป็นสิ่งปรุงแต่งไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเรามันเป็นของเล่ห์เป็นของสมมุติเดี๋ยวก็ดับไปแต่มันมีธรรมชาติอีกการหนึ่งคือใจที่เป็นแต่ความรู้คือปรุงแต่งไม่ได้รู้ว่าตัวใจเนี่ยมันเป็นมีแต่ความไม่ปรุงแต่งไม่ปรากฏอะไรเลยแต่มีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งเกิดดับอยู่ในมัน แต่ใจเนี่ยมันมีแต่ความรู้ว่ามีสิ่งที่ปรุงแต่งเกิดดับอยู่ในมันแต่ใจมันไม่มีที่อยู่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่รู้ว่มันอยู่ตรงไหนแต่มันอยู่ในตัวเรานี่แหละแต่ไม่รู้่ามันอยู่ตรงไหนแต่คำถามทุกคนบอกว่าอย่างนั้นคุณก็ไม่มีใจสิเพราะว่าคุณไม่เห็นมันเลยไม่เคยรู้วามันอยู่ตรงไหนไม่ใช่มันมีเอาแล้วคุณรู้ได้ไงวันมีเอาก็มันรู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในใจนี่ไงเข้าใจไหมตรงนี้สําคัญนะก็มันรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจ แลจะบอกไม่มีได้ยังไงอ่ะก็มันรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจใจสบายก็รู้ใจไม่สบายก็รู้มีความคิดก็รู้ไม่มีความคิดก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ว่างก็รู้ไม่ว่างก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้ไม่ฟุ้งซ่านก็รู้มันรู้หมดแหละอะไรมันเกิดในใจมันรู้หมดเลยใจเนี่ยมันรู้ว่ามีอะไรเกิดดับในมันว่ามีอาการอะไรอยู่ในมันแต่มันไม่มีอาการใจเนี่ยมันรู้ว่ามีอะไรเกิดดับในมัน มีอาการอะไรเกิดดับอยู่ในมันมีอาการอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่ในมันมีอาการที่เป็นของคู่ตรงกันข้ามเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่ในมันแต่ใจะมันได้แต่รู้แต่ตัวมันไม่มีใจมันได้แต่รู้แต่ตัวมันไม่มีแล้วถามยังไงว่าตัวมันไม่มีแล้วรู้ได้ไงว่ามีใจทุกคนเนี่ยเคยเห็นใจไหมหมอเคยผ่าตัดแล้วเห็นใจไหมไม่เคยอะผ่าไปหมอก็ต้องเห็นแต่อะไรเห็นแต่เลือดเนื้อเห็นแต่กระดูกเห็นแต่ที่มันมันของที่เห็นได้แต่ใจไม่เคยมีใครเห็น ไม่เคยมีเคยเห็นแล้วไม่มีเคยเห็นแสดงว่าไม่มีอสิไม่มีอ๋อไม่มีแต่รู้ได้ไงว่ามีอะไรเกิดดับอยู่ในใจมันมีแต่มีแล้วอยู่ที่ไหนอ่ะมันก็อยู่ในตัวเราเนี่ยแต่มันไม่มีไม่มีตัวใจแต่มันมันคงอยู่ในตัวเรานี่แหละเพราะอะไรก็มันรู้ว่าเนี่ยมันเกิดดับอยู่ในตัวเรานี่แนะแต่มันคงไม่อยู่นอกตัวเราหรอกมันคงอยู่ในตัวเราแต่อยู่ตรงไหน่ะอยู่ในสมองคงไม่ใช่มั้งบางทีมันก็เกิดดับอยู่ในความรู้สึกในหน้าอก นันอยู่ในหน้าอกม่้มันคงอยู่ในหัวใจในหัวใจก็ไม่ใช่มันเลยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะก็แหละก็มันไม่มีไงมันไม่ีตัวตนไงแต่มันมีแต่ความรู้ว่ามีอะไรเกิดดับอยู่ในมันตรงนี้สำคัญมากนะผู้ต่านหลายคนก็ใจผิดว่ะไปเอาสิ่งที่เกิดดับอยู่ในใจเนะี่ยเป็นใจไปเอาอาการเนี่ยไปเอาอาการที่มันเกิดดับอยู่ในใจเนะี่ยเป็นใจซะแล้วก็ชอบพูดว่า ใจไม่สบายใจมันหงุดหงิดใจมันฟุ้งซ่านใจมันไม่ค่อยจะดีใจมันหายหายแวบๆใจมันเศร้าหมองแล้วาจนี้จะมันโล่งๆใจมันผ่องใสคำพูดทั้งหมดเหล่านี้มันใช่ใจไหมมันไม่ใช่เพราะอะไรมันเป็นอาการที่เปลี่ยนไปเรื่อยใจมันมันได้แต่รู้ว่ามีอะไรเกิดดับอยู่ในมัน ใจมันได้เรียนรู้ว่ามีอะไรมาเกิดดับอยู่ในมันอ่ะมันมันถ้าไม่มีตัวแต่ไอที่มีอาการเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใจแต่ใจเนี่ยมันรู้แต่ว่ามีอะไรมาเกิดดับอยู่ในมันไอที่มาเกิดดับอยู่ในมันเน่ยคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ มันมาเกิดดับอยู่ในมันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบ่นอยู่นั่นน่ะคิดอยู่นั่นรู้อะไรมันก็บ่นอยู่นั่นวิาพากวิจารอยู่นั่นน่ะรู้อะไรมันก็บ่นอยู่นั่นวิพากวิจารอยู่นั่นน่ะไม่ว่ารู้อะไรมันก็บ่นอยู่นั่นวิาพากวิจารอยู่นั่นน่ะมันเป็นธรรมชาติที่ดับไม่ได้มีคนมาบอกว่าอ๋อมันบน่นไม่หยุดแล้วมันไม่ไม่เลิกบ่นเลยอ่ะถ้าเลิกบน่นเลิกเลิกพูดเลิกตึกตองในใจตายเลยเพราะอะไรธรรมชาติของวิญญาณขันเนี่ยมันต้องทํางานร่วมกับเจตสิกเวทนาสัญญาสังขาร พิธรรมอ่ะรูปจิตเจตสิกนิพพานรูปก็คือร่างกายจิตก็คือวิญญาณขันธ์เจตสิกก็คือเวทนาสัญญาสังขารและจิตหรือวิญญาณเนี่ยทางานร่วมกับเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันก็คืออะไรก็คือไม่รู้อะไรทั้งทางตารู้อะไรทั้งหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่ว่าจะรู้อะไรมันต้องเอามาบ่นในใจมาพูดในใจมาวิเคราะห์มาตึกมาตอมาภาคอยู่ในใจนี่คือธรรมชาติเลยธรรมชาติของขันธ์หน้า ด, ดับไม่ได้นะ เราจะพยายามให้ดับให้ตัวเราเนี่ยเลิกภากดับไม่ได้มันก็พูดไม่หยุดเนี่ยพูดอยู่ในใจไม่หยุดเนี่ยดับไม่ได้เพราะอะไรมันเป็นธรรมชาติของจิตหรือวิญ ญ, ญาณนขันในขันที่ห้าทำงานร่วมกับเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารผมมารู้อะไรปุ๊บมันก็ต้องเอามาภาคอยู่ในใจรู้รูปมันก็เอามาภากอยู่ในใจวิภาควิจารในใจรู้เสียงมันก็เอามาวิภาควิจารณ์ในใจรู้กลิ่นมันก็วิภาควิจารในใจรู้ลบมันก็เอามาวิภาควิจารณ์ในใจไปรู้อาการของใจมันก็เอามาวิภาควิจารณ์อยู่ในใจ เราอย่าไปสนใจแต่สิ believe, ่งที่ถ like, <dumb. S 2> like, ูกร <ple> ู้ให้สนใจแต่ไอตัวที่มันเอามาภาคอยู่ในใจก็คือสนใจแต่วิญญาณขันธ์ที่ทํางานร่วมกับจิตสิทธิเวทนาสัญญาสังขารที่มันรู้อะไรมันต้องมาภาคอยู่ในใจมาพูดอยู่ในใจมาภาคอยู่ในใจพูดอยู่ในใจรู้อะไรเห็นอะไรสัมผัสอะไรอย่าไปสนใจสิ่งที่ถูกรู้อย่าไปสนใจรูปอย่าไปสนใจเสียงอย่าไปสนใจกลิ่นอย่าไปสนใจลิ้นที่มันเป็นกระทบรดอย่าไปสนใจ สิ่งที่มาสัมผัสกายอย่าไปสนใจอาการทางใจที่ไปรับรู้มันเป็นธรรมอารมณ์สนใจสังเกตแต่เพียงว่าสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจสังเกตอยู่ที่ใจละอยู่ที่ใจปล่อยวางอยู่ที่ใจสติตั้งที่ใจสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้อยู่ที่ใจละอยู่ที่ใจปล่อยวางที่ใจสติตั้งที่ใจอันเดียวอย่าไปสนใจสิ่งที่ถูกรู้ รู้อะไรในชิพประจำวันทั้งหมดอย่าไปสนใจสิ่งที่ถูกรู้อย่าไปสนใจรูปอย่าไปสนใจเสียงอย่าไปสนใจกลิ่นอย่าไปสนใจรสอย่าไปสนใจสัมผัสและที่สุดสําคัญที่สุดอย่าไปสนใจปรับแต่งแก้ไขอาการที่เกิดขึ้นในใจเป็นเด็ดขาดจิตมันเป็นอย่างนี้พยายามอยากให้มันเป็นอย่างนี้จิตเป็นอย่างงั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้อาการอย่างนี้มันมันไม่โป่งไม่โล่ไม่เบาสบายอยากให้มันโป่งโลกเบาสบายแก้ปรับแต่ง อาการใดไม่ถูกใจจะปรับให้เป็นอาการถูกใจอย่างนี้ไปสนใจวุ่นวายแต่ธรรมลมคืออาการที่ถูกรู้ไม่ให้สนใจอา th การที่ถูกรู้ธรรมลมที่ถูกรู้ไม่ให้สนใจรูปเสีย ง, ง ก, ลกลิ่นรสสัมผัสที่ถูกรู้ให้สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใ จ, ใจสังเกตอยู่ที่ใจละอยู่ที่ใจปล่อยวางอยู่ที่ใจตลอดเวลาสังเกตอะไรต้งเห็นว่าภายในใจเรามันพูดว่าอะไรมันบ่นว่าอะไรมันไปรู้รูปรสกลิก่นเสียงสัมผัสรู้อาการทางใจแล้วมันพาดมันพูดมันบ่นว่าอะไร มันพากันพูดมันบน่นมันวุ่นวายกับอะไรมันไปวุ่นวายกับสิ่งใดว่ายังไงถ้ามันเห็นอยู่ในใจอย่างเนี้ยเรียกว่าสติตั้งที่ใจรู้ที่ใจสังเกตอยู่ที่ใจล่ายู่ใจปล่อยวางอยู่ที่ใจตลอดเวลารู้ไม่เพื่ออะไรหรอกก็รู้เพื่อว่าก็เห็นมันเป็นสังขารทางนั้นแหละเพื่ออะไรละ่ะก็เพื่อให้เห็นว่ามันสังขารเนี่ยเพื่อเห็นสังขารจนถึงเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพื่อหเห็นขันห้าให้มันครบห้าขัน วิธีการที่จะเห็นข 5, ันห้าเป็นครบห้าขันก็คืออะไรก็เนี่ยต้องมาเห็นว่าไอ้ตัวผ mm ู้บ่นพูไปรู้แล้วมันพูดมันบ่นเพราะอะไรไอ้ที่ไปรู้มันเป็นวิญญาณขันเพราะวิญญาณขันเนี่ยมันไปรู้อะไรเนี่ยมันต้องอมาภาคมาพูดอยู่ในใจไอ้ที่มันภาคพูดในใจได้ก็เพราะว่ามันทํางานร่วมกับเจตสิกเกิดพร้อมเจตสิกดับพร้อมเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารดังนั้นไอ้ที่มันออามาภาคมาพูดอยู่ในใจเนี่ยคือวิญญาณขันทางานร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารและดับไม่ได้นะมันเกิดเกิดดับดับแต่เรามันเป็นดไม่ ให้มันไม่มีการภาคมันพูดมันบ่นเราทําไม่ได้แต่เราเห็นมันจนถึงเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณขลักฐาก็คือเมื่อเราเห็นเนี่ยตัวเรารู้อะไรแล้วเราตัวเราภาคแล้วพูดไม่หยุดเนี่ยแสดงว่าเราเห็นจนถึงวิญญาณขักฐานแล้วขันห้าเห็นถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนถึงห้าขันแล้วเพราะไอ้ร่างกายรูปเราไปเห็นอยู่แล้วเราเห็นจนถึงห้าขันเราไม่เคยเห็นครบห้าขันอ๋อไอ้ห้าขันมันเป็นรวมอยู่ที่ ในใจที่มันพูดได้มันพูดอยู่ในใจบนอยู่ในใจภาคอยู่ในใจมันจึงไม่ให้ไปสนใจสิ่งที่ถูกรู้เพราะมันไม่มีความหมายจะทําให้เราพ้นทุกเพราะว่าสิ่งที่ถูกรู้ไม่ได้ช่วยทําให้เราพ้นทุกแต do, e ่ท in ี่ทําเราจะพ้นทุกได้เพราะว่าเราเห็นว่าวิญญาณขันน่ะที่ไปรู้อะไรเนี่ยมันมันเอามาภาคเอามาพูดอยู่ในใจไม่หยุดไอ้ที่มันรู้ปุ๊บมันเป็นวิญญาณขันเพียงเสี้ยววินิจฉเดียวที่ทําหน้าที่รู้ที่เหลือมันภาคมันพูดมันเป็นมันเป็นเวทนาสัญญาสังขาร และมันกลายไปเป็นธรรมลมที่ถูกรู้ตัวของวิญญาณขันตัวต่อไปพอมันภาคมันพูดปุ๊บไอ้วิญญาณขันตัวต่อไปก็มารู้ว่าในใจเราภาคอะไรไอ้วิญญาณขันมารู้ตัวต่อไปปุ๊บมันก็ทําหน้าที่ร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารมีหน้าที่ภาคต่ออีกมันก็รู้ละภาคต่อเดี๋ยวก็รู้ละภาคต่อผู้รู้ตัวใหม่มาลุกมันก็ภาคต่อผู้รู้ตัวใหม่มาลุกมันก็ภาคต่อไอตัวที่ผู้รู้ตัวใหม่รู้ละภาคผู้รู้ตัวใหม่รู้ละภาคผู้รู้ตัวใหม่แล้วภาคไม่มีจบสิ้นจนกว่าขันห้าจะดับการรู้ละภาคก็จบลง ที่ท่านบอกว่าให้ปล่อยวางทั้งสิ่งที่หลูกรู้ปล่อยวางทั้งผู้รู้ก็ตรงนี้แนะปล่อยวางจนถึงวิญญาณขันก็คืออย่าภาคกับผู้เยอะอย่าผูกกับภาคไปภาคกับภาไปผู้กับพูดไปอย่าบ่นกับบ่นไปเนี่ยแนแล้วก็เห็นว่ามันเป็นสังขารทั้งนั้นแน่มีแต่สังขารสังการสังขารปล่อยมันเยอะมันเป็นขันหน้าทําอะไรกัมันก็ไม่ได้จึงต้องปล่อยมันอย่างเดียวเลยเพราะมันเป็นมันเป็นขันหน้านะ มัเป็นสังขารสังขารดับมันไม่ได้เมื่อดับมันไม่ได้หมดหนทางทําอะไรกับมันได้มีวิธีเดียวอ่ะเลิกยุ่งกับมันเพราะมันไม่มีวุฒทางอ่ะดับมันไม่ได้มันเป็นขันห้ามันเป็นชีวิตดับมันไม่ได้มีวุฒทางเดียวก็ดับมันก็ไม่ได้แล้วมันยุ่งที่สุดในใจเราจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กบ่นบ่นพากพากบ่นบ่นพูดพูดพากพากอยู่ในใจอ่ะพากอยู่ตลอดเวลามีอาการอะไรก็ภาคถูกใจก็ภากไม่ถูกใจมันก็ภาคแต่มันเป็นชีวิตมันเป็นขันห้าดับมันไม่ได้อ่ะ เมื่อดับมันไม่ได้แล้วจะทํำยังไงกับมันได้หมดหนทางจะทําอะไรกับมันได้หลายคนพยายามจะดับมันแต่ดับมันไม่ได้ให้มันเลิกภาคเลิกพูดทันทีมันก็ภากพูดตลอดชีวิตเเมื่อดับมันไม่ได้ทําอะไรกับมันไม่ได้มีหนทางทำอะไรมีวิธีเดียวเลิกยุ่งกับมันซะอยากมึงอยากพาคอย่าพูดพูดไปอยากาคอยากพูดอยาบ่นพูดไปเลยพูดไปเลยพูดไปคิดไปพาคไปพูดไปคิดไปเลยเบื่อมึงจริงหรือเปล่ะ มันเบื่อมันจริงๆเลยเงี้ยเบื่อมันจริงๆเบื่อจริงๆนะไม่ใช่เบื่อๆจากๆเบื่อจริงๆเลยมึงพากไม่หยุดพูดไม่หยุดพอเบื่อมันจริงๆเนี่ยเกิดนิพพิทายาเลยเกิดนิพพิทายาเลยคือเบื่อไอ้จิตที่พาคที่พูดไม่หยุดแล้วางมันตั้งางปล่อยวัดตั้งหางปวัดรู้จักคาว่าตั้งางป่อยวัดไหมเออตั้งหางปอยวัดมันไปคือเบื่อมันจริงๆเลยเบื่ออะไรเบื่อไอ้ไอ้จิตที่มันพาคมันพูดไม่หยุดและจิตวิญญาณอคติเนี่ยที่มันพาคมันพูดไม่หยุดนี่แหละ เบื่อ <Be ar> มาจริงๆเลยมึงพากพูดไม่หยุดทำอะไรกับมึงก็ไม่ได้ดับก็ไม่ได้เพราะมันเป็นชีวิตดับก็ไม่ได้ยังไม่ถึงแก้ความตายต้องพูดอยู่เ น, นี่ยาเนี่ยบเบื่อมจริงแต่ดับมันก็ไม่ได้ทาอะไรไม่ได้เบื่อมันจริงๆเออไอ้เบื่อจริงๆอย่างี้เป็นนิพพาาเบื่อปุ๊บมันก็เลยวางมันก็เลยปล่อยวางเพราะอะไรเบื่อมันจริงๆเลยวางทาอะไรก็ไม่ได้เบือ่อมึงพาพูดมาหยุสัทีเบื่อมันเพราะเบื่อไอ้จิตเลวิญาณขาันธ์เพาันอยู่พูดไเบื่อมันปุ๊บพอวางปุ๊บ ม่านที่ปิดอยู่ไม่เห็นความว่างข้างนอกเนี่ยถูกเปิดเลยเพราะอะไรไอ้ตัวอวิชาเนี่ยมันมาบังตาใจมองไม่มองไม่ให้เห็นความว่างที่มันมีอยู่แล้วอวิชาเนี่ยมันเหมือนม่านที่มาบางังพอปล่อยวางอ่ะที่ไปยุบ ม, มันไว้กับไว้ขันห้าเนี่ยจนถึงวิญญาณขันเนี่ยเลิกยึดถือวิญญาณขันอวิชาดับไปนั้นเนี่ยม่านบังตาใจอ่ะเปิดเลยเปิดม่านออก พอเปิดบ้านออกเห็นอะไรเห็นความว่างข้างนอกคือใจที่ว่างเปล่าอ้าวมันมีใจที่ว่างเปล่าด้วยเหรอเนี่ยทีแรกมัวแต่ยุ่งยุ่งยุ่งยุ่งกับสังขารยุ่งกับขันห้ายุ่งกับการคิดตกแต่งยุ่งกับพยายามจะทําอะไรให้เป็นอะไรพเพราะปล่อยให้ขันหน้ามันทํางานมันเองอ่ะไม่มีใครยึดมันเบื่อมันจริงๆเลยแค่นั้นแหละแค่วางแค่นั้นแหละเอาวิชาดับเลยพอวิชาดับปุ๊บอาวิชาเหมือนบ่านมาบังตาใจถูกเปิดออกแค่นั้นแหละ มองเห็นความว่างข้างนอกเลยนะเนี่ยเหมือนม่านม่านที่ปิดในห้องเราเนี่ยพอเปิดม่านออกมองเห็นความว่างข้างนอกเลยความว่างข้างนอกนหละมันมีอยู่แล้วใจที่ว่างมันมีอยู่แล้วแต่อาวิชามันมาเป็นมาเป็มาเป็นเหมือนบ้านบางตาใจม่านในห้องเราเนี่ยบางตาเนื้อทําให้เรามองไม่เห็นความว่างข้างนอกอาวิชาเนี่ยความยุ่งวุ่นวายกับขันห้าเนี่ยมันเหมือนม่านมาบังตาใจเพราะอาวิชาเนี่ยดับเท่านั้นแหละ เลิกยุ่งก่อนไปขันห้าสัทีไม่อยากพูดกับพูดไปบนไม่หยุดมันเดจะวิเคราะห์วิจารวิจัยอยากจะคิดติดตองอยากจะพยายามจะทําให้นู่นทําให้นี่พยายามจะทําอะไรเป็นอะไรอยากจะทําก็ทําไปเลยทํำไปเลยอยากทำทำไปเลยมันเป็นขันห้าดังนั้นเนี่เป็นแต่สังขารดังนั้นเนี่ยเป็นของไม่จริงดังนั้นเนี่อยากทำทำไปว่าเบื่อมือเหลือเกินทำอะไรกับมึงก็ไม่ได้ดับก็ไม่ได้เป็นชีวิตปล่อยมันไปแต่เออปล่อยเลยเบื่อมันพอเบื่อปุ๊บวางบทเอาวิชาดับอ้าวอ๋วใจว่างมีอยู่ไหม มันมีอยู่แล้วข้างนอกอ่ะคือความว่างไม่ใช่ว่าเราไปสร้างความว่างขึ้นนะความว่างมีอยู่แล้วพอดับอวิชชาที่ไปยุ่งวุ <|hi|> ่นวายกับมันน่ะดับเรียกว่าดิพิทาดิพิทายานคือเบื่อหน่ายขันหน้าปล่อยวางขันหน้เบื่อหน่ายขันหน้าปล่อยวางขันหน้าทิฏฐอุปทานขันหน้าพบใจเลยที่ว่างเปล่าเหมือนกับเปิดบ้านปุ๊บอวิชชาดับปุ๊บม่านที่บังตาใจเปิดความว่างมีอยู่แล้วใจที่ว่างมีอยู่แล้วแต่มองไม่เห็นเขาเลยเรียกว่า หลวงปู่ม่านเลยเขียนในขันเทวิมุตตะมังคีธรรมาว่ารู้ไม่ทันขันบางธรรมธรรมเนี่ยคือคือธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งที่เป็นความว่างเปล่าเหมือนข้างนอกเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ขันเนี่ยขันห้าเนี่ยที่เราไปยุ่งวุ่นว้กับขันห้ามันรู้ไม่ทันขันมามาบางธรรมที่ธรรมชาติที่มันมันปรุงแต่งไม่ได้จะเป็นความว่างเนี่ยรู้ไม่ทันขันบางธรรมขันมัเลยมาบางทั้งหมดเลยพอเราสิ้นอุปทานขันห้าติดยึดขันห้าเบื่อมันมากเลยดับมันก็ไม่ได้วิธีทำอะไรกับมันมีหนทางเดียว ปล่อยมึงไปจ้างมึงมึ ง, มงอยา่าปูงก็จ้างมึงแล้วปล่อยวางเบื่อมันจริงจริงพอประธานหางปล่อยวัดขันหน้าแค่นั้นแหละมานที่บางตาใจเปิดเลยเลยมองเห็นเลยอ้าวลูไม่ทันขันบางซ้ำเลยดับไปเลยขันไม่สามารถบางทำที่ไม่ปรุงแต่งคือใจที่ว่างเปล่าไม่ได้ต่อไปอ้าวฮะความปรุงแต่งมันปรุงแต่งอยู่ในความไม่ปรุงแต่งนี่หว่าเนี่ยมันมีใจที่ที่ว่างเปล่าที่สงบที่นิ่งที่ว่าง เลยอ่ะต่ที่สงบก็ไม่มีใครไปยึดมันเพราะมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วความปรุงแต่งก็ปรุงแต่งในใจที่สงบแล้วนิ่งว่างอยู่อย่างนั้นไม่มีใครไปยึดมันเป็นธรรมชาติไม่มีใครยึดตั้งแต่ที่ว่างที่ใจที่ปรุงแตง่งแล้วไม่มีใครยึดถึงใจที่ว่า ง, งมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วแต่กันทั้งคู่คือมันอยู่คู่กันจต่เรามองไม่เห็นอวิชชาดับไปตัวเดียวเมื่ออวิชชาดับไปแล้วไม่มีใครยึดขันห้าแล้วเมื่อไม่มีใครยึดขันห้ามันก็ไม่เอาขันห้าเนี่ยมายึดความว่างอีก เพราะอะไรมันไม่มีใครไปยึดขันห้าเสียแล้วมันก็เลยไม่ไปยึดเอาขันห้าเนี่ยเอาขันหน้าพยามมายึดความว่างความว่งางคงไปล่อยไปความว่งางเข้าไปซะในใจก็เป็นความว่างเข้าไปธรรมชาติไม่มีใครเอาขันห้ามายึดความว่างและถูกขันห้ตัวปรุงแต่ก็ถูกปล่อยวางไปแล้วใจก็เลยเป็นความว่างอยู่อย่างนั้นแนะแล้วก็ความปรุงแต่ขันหน้าก็ยังบนง่นไม่หยุดพากมาหยุดเราก็รอจนกว่าเราจะตายพอตายเมื่อไหร่ขันหน้าก็ดับแล้วแต่ความว่าง ที่มันไม่เกิดไม่ดับมันก็เลยเป็นความว่างอย่างั้นแหละใจว่างเปล่าก็คงเป็นใจว่างเปล่าอย่างนั้นแหละหรือจิตเดยวแต่แท้เนี <Yeah. S 1> ่ก็คงเป็นจิตแต่แท้มันไม่ใช่เป็นของใครนะจิตเดยแแท้ก็ไม่ได้เป็นของใครจิตที่ปรุงแต่งก็ไม่ได้เป็นของของใครมันเป็นธรรมชาติอย่างนี้เนะี่ย